ชีวิตเหมือนติดคุกเพราะหลงสุขหลงสร้างทางสวรรค์เพราะหลงรสอร่อยอเรจรสเผ็ดรสมันหลงหมายมันมันหมายใจไม่คลายมือหลงว่าสวยหลงว่างามไปตามโล ปโละอะไรอะไรไว้ยึดถือลงชื่อเสียงเกรียงไกลให้คนลือจึงอวดชื่อแอ บ, บชั่วมิกลัวเกรเพียงมันม้ต้องได้มาจึงพาสุขจึงเกิดยุก วัตถุนิยมมุ่งขมเหงแย่งเสนียดเยียด ก, กิินกาไปตามเพลงให้ตัวเองสุขสัน์เท่านั้นพออันความสุขคือนิยามของความโศเป็นสันจจะประจําโลกนี่แหละหนอน หาเท่าไรหาไม่พอจะยังยอหยุดอยากก็ยากเย็น ชีวิตเหมือนติดคุกเพราะหลงสุขหลงสร้างทางสวรรค์รสหลงรถอร่อยอร็อยรถเผ็ดรถมันหลงหมายมันมันหมายใจไม่คลายหลงว่าสวยหลงว่างามไปตามโลกอุ ป, ปโลกอะไรอะไร ไว้ยุดถือลลงชื่อเสียงเกรียงไกรให้คนลือจึงอวดชื่อแอบชั่วมิกลัวเกรเพียงมันหมายต้องได้มาจึงพาสุขจึงเกิดยุกวัตถุนิยมมุงคมเหุ แย่งเสนียดเกียนิกลินกามไปตามเพลงให้ตัวเองสุขสัน์เท่านั้นพออันความสุขคือนิยามของความโศเป็นสัจจะประจำโลกนี่แหละหนอจะหาสุขหาเท่าไรหาไม่พอ ก็อยากเยก็น